แนวกาสต่อไปก็ใหนั่งสมาธนะิในการฟังธรรมแนละ้นั่งสมาธิทําจิตนะของเราให้มีความสงบนะับว่าตัวจิตนี่นะ่าสำคัญเมื่อเราฟังธรรมอยู่นะแล้ฟังธรรมอยู่นะถ้าจิตของเราเนะี่ยมันเนิ่งตรกตรองในกระแสของ ธรรมะเราก็จะเข้าใจธรรมะได้เป็นอย่างดีแต่ขณะฟังธรรมถ้าจิตใจของเราเป็นสงสัยขอาไปในภายนอกแล้วนะเราก็จะไม่เข้าใจในอัตในธรรมนั้นอย่างในสมัยพุทธกาล การฟังธรรมนีนะ้เป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวเพราะนอกจากอของสมเด็จพระสัสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี่นะพระองค์นี้ทรงตรัสรู้ได้ชอบได้โดยพระองค์เองนะเพราะพระองค์สร้างบารมีมาแล้วจนบารมีเต็มไม่มีครูไม่มีผู้ที่จะมาสอนพระองค์นะเป็นพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผบบิกบานแล้วก็รู้ได้โดยพระองค์เองด้วยนะแต่ว่านอกจากนั้นแล้วจะเป็นพระครัคงสาวกก็ดีจะเป็นพะาาร ะ, ะ, นพะอิสิติสาวกสาวกที่เปเลิศนแปดสืบรูกก็ดีตลอดจนพระรหัสนในชั้นต่างๆก็ดีนั้นลงเลื่อยลงมาแล้วจนถึงพระอนาคามีพระสกทาคามีนักพระโสดาบัน เนืรเราเรียกกันว่าเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาจะรู้ธรรมจะเห็นธรรมบรรลุธรรมได้ในเบื้องต้นนั้นต้องได้รับคําสอนอาจจะได้รับคําสอนโดยตรงจากองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือจะได้รับคําสอนจากพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ของพระครัสาวกหรือพอะศีติสาวกสอนต่อกันมาถึงจะสามารถรู้ธรรมแล้วก็เห็นทมได้เห็นในวัอพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเทศนาสอนในครั้งแรกพระปัญจพคีทั้งห้ารูปเนี่ยทันพัญยาโกทัญญะนี่ก็มีวาสนาบา ร, รมีเต็มฟังธรมเหมือนกัน ทำนั้นกันเดียวกันพระพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังทั้งห้ารูปแต่ว่าจิตของพระปัญญวคีทั้งห้านั้นมีองค์เดียวที่ฟังแล้วพิจารณาตามแล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรมนี่ก็เป็นบุพรกรรมที่ท่านได้สร้างเอาไว้อธิษฐานเอาไว้ด้วยให้ได้เกิดเป็น พระสงฆ์สาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้าของเราส่วนท่านพัะ ส, สุพัท ธ, ธะปรพาชกซึ่งเป็นปิมสาวกที่ท่านเห็นพระสัสดาก็เคยเป็นน้องชายกันแต่ทิฐานขอสาเร็จที่หลังจึงได้เป็นสาวกองค์สุดท้ายก็มีบุพกรรมเมื่อข้าวได้ตั้ง ลวงแล้วเก็บเกี่ยวแล้วนี่แหละท่านพันยาโกธัญญาเป็นพี่ชายก็จะถวายลวงข้าวนั้นกับพระประเจกกับพระพุทธเจ้าไปก่อนส่วนน้องชายนั่นก็เลยถวายบ้างแต่อาถรรพ์ขอสําเร็จเป็นพระหลานาองค์สุดท้ายในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเพระเาะฉะนั้นพวกเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ย เมื่อเรามาภาวนามาฝึกหรือมาอบรมจิตใจให้มีความสงบและมีความเยือกเย็นขึ้นมาเราก็จะต้องพยายามเพราะปัใจัยดวงนี้เนี่ยถ้าพูดไปอีกอย่างหนึ่งก็ว่ากิเลสที่ครอบงำจิตใจของเรามานานนานแค่ไหนก็ตาม มันจะหลายพบหลายชาติมากมายแต่ว่าถ้าเราเนี่ยมีความรู้หรือแสงสว่างเกิดขึ้นในใจเราก็สามารถที่จะเห็นธรรมาได้เหมือนในห้องที่มันเบดมิดเมื่อแสงสว่างของไฟฟ้าเกิดขึ้นมาแล้วความเบิดก็จะหายไปใจของเราแม้ว่าจะถูกกิเลสครอบงำมานานอย่างไรก็ตาม แต่ถ้ามีแสงสว่างคือปัญญาเกิดขึ้นมาเราก็จะรู้เราก็จะเห็นธรรมะได้ถ้าปัญญาหรือญาณมันจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยจิตของเราที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิธรรมจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิธรรมนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เดียว พอเราได้เริ่มต้นก็ไหวพระสมทานศีลสมทานอุโบสถศีนั้นสมบัสมทานศีลแปดตัดเครื่องกังวลในเรื่องการอยู่ในเรื่องการนอนการรบประทานออกไปตัดความกังวลในเรื่องเกี่ยวกับร่างกายออกไปอยู่แบบธรรมชาติมรอตัด ความกังวลอันนี้ออกไปได้จิตของเราแล้วก็มีกำลังมากกว่าธรรมดาที่เราเคยปฏิบัติอยู่ที่บ้านเราก็มีสินห้าแต่ว่าเราก็ยังมีเครื่องกังวลในหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้ผลเหมือนกันแต่ถ้าเรามาปฏิบัติที่วัดแล้วก็มาถือศิน8ความกังวลในเรื่องร่างกายนี้น้อยลงไป เราก็มีเวลาที่จะมาเจริญซึ่งสมถกรรมฐานหรือมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานกรรมฐานเป็นที่ตั้งของความสงบใจใจของเราจะสงบได้จะสงบระ ง, งับจากอารมณ์หรือจากนิวรณ์ธรรมที่มันก้มลมจิตใจของเราอยู่เสมอ ถ้าเราสังเกตใจของเราเนี่ยเราต้องการใจของเราให้มันมีความนิ่งเราก็สั่งว่าจิตเจ้าจงนิ่งเราต้องการความสงบตอนนี้เราไม่อยากความมีความคิดวุ่นวายเราไม่อยากจะงุนกิดใจเราไม่อยากที่จะโกรธพยาบาทเราจะไม่อยากจะง่วงเหง า, หานอนในเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเราจะไม่สงสัยอะไรอีกแล้ว เราลองบอกใจของเราอย่างนี้ว่าใจของเราจะเชื่อฟังหรือเปล่าการที่เราบอกใจของเราอย่างนี้กระบว่าเป็นมักสอนจิตใจของเราเองแต่ว่าเราจะรู้ว่าเราบอกเราต้องการความสงบไม่ต้องการความคิดแต่เจ้าจิตดวงนี้มันก็เที่ยวนึกคิดปรุงแต่งเราไม่อยากจะโกรธไม่อยากจะพยาบาท กิเลสแม้ครอบความครอบคุมจิตใจก็าพาจิตใจให้โกรธให้พยาบาทเราไม่อยากแก่เกิดความรักเพราะเมื่อมีความรักมีความยึดความถือแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ตามมาไม่ว่าเราจะรักในวัตถุสิ่งของถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะช่วยประคับประคองใจของเราไปด้วยเมื่อเราได้วัตถุสิ่งของจะมีราคาน้อย จนถึงราคามากนั้นมาถตาใจของเราไม่มีสติไม่ประกอบด้วยปัญญาตัวตจิตใจนี่ก็จะหลงไปยึดในวัตถุสิ่งของภายนอกว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราเมื่อวัตถุเหล่านี้จากเราไปตามกฎธรรมดาของแต่ละคืออนิจจังทุกขังอนาตาัตตาจิตใจของเราที่ไปยึดในวัตถุอยู่นี้มันก็เป็นทุกข์ขึ้นมา ไม่สบายใจเหตุเพราะว่าใจเนี่ยเมื่อมาหลงไปยึดเอาสิ่งภายนอกมาแล้วมายึดมาถือแล้วหรือว่ามีอุ ป, ปาทานความยึดมั่นถือมั่นก็จะเกิดความทุกข์ในอิทับปัจจยตานั่นแหละท่านก็บอกแล้วว่าอุ ป, ปาทานเป็นเหตุนะให้ชาตินี้เกิดขึ้นมาชาติคือชาติเกิดขึ้นยังไงชาติของความที่มีเรา หรือมีตัวตนของเราเกิดแล้วนะเมื่อมีพัสะเกิดตันหาความยินดีแล้วมันก็ต่อเนื่องเชื่อมโยงเลยโอปทานเกิดทันทีเมื่อเรายินดีในสิ่งใดโอปทานก็เกิดขึ้นทันทีโอปทานเกิดขึ้นชาติก็คือความรู้สึกตัวเราก็เกิดขึ้นทันทีของเราก็เกิดขึ้นทันทีนะก็จะเป็นเหตุไปอีกนะให้เกิดความสุขใจ ความสุขใจอาจจะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเกิดุปธทฐานเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกเนี่ว่าเป็นวัตตะสงสารหรือเราจะไปยึดเอาในสัตว์ทั้งหลายเช่นสุนัขหรือแมว เ, เป็นต้นที่เราได้เลี้ยงเอาไว้มันก็ทํานองเดียวกันเมื่อเราไปยึดไปถือว่า น, นี่คือสัตว์ของเราเราเป็นเจ้าของเราก็มีความหวงแหนปกป้องดูแล มันก็จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในจิตใจของเราขึ้นมาอีกเมื่อสัตว์นั้นมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหรือมีความแก่ความเจ็บความตายแปรเป็นธรรมาดานี่วัตถุสิ่งของภายนอกก็ดีสัตว์ข้างนอกนี้ก็ดีเมื่อเรายึดเข้าไปแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทางนั้นแล้วยิ่งเป็นตัวเราแล้ว ในร่างกายนี้หรือว่าเรายึดถือในสัตว์บุคคลทั้งหลายก็จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจเพรฉะนั้นตัวอุปาทานนี้จึงเป็นเหตุให้มีความทุกข์เกิดขึ้นมาเมื่อเราจะมาปฏิบัติภาวนาเราก็ไม่ต้องการนะความทุกข์อันนี้เราต้องการให้จิตสงบอย่างเดียวแต่เราก็จะสอนจิตของเราให้สงบนั้น จิตก็ไม่สงบพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์บอกว่าเราต้องพากันมาฝึกฝนอบรมการฝึกฝนอบรมจิตให้สงบควรทำอย่างไรการ่าฝึกทำจิตให้สงบนั่นในเบื้องตน้นเมื่อจิตนี้มันทรงออกไปคิดโปรงแต่งออกไปทางที่มันฟุ้งซ่าน ไปทางความโกรธความพยาบาทความยินดีในการมาฉันทะเน้อส่งออกไปในง่วงเหงาหนอนก็ดีลังเลสงสัยมันก็เป็นสังขารฝ่ายอกุศลทั้งนั้นที่เกิดขึ้นในใจองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนว่าให้เราพยายามละสังขารอันเป็นฝ่ายอกุศล น, นี้โดยที่เรานันจะต้องพยายามไม่ให้เกิดแลนะก็พยายามละ เราพยายามเจริญทำจิตของเราให้มีกุศลที่เกิดขึ้นไว้กุศลที่ยิ่งใหญ่นั่นไงกุศลในการทําบุญทําทานด âm ฤติในการทําบุญทําทานด âm ฤติในการสมทานศีดลด âm ฤติในการให้อภัยทานดํารติในการที่เราจะมาฝึกสมถะกรรมฐานมีปัสนากรรมฐานเพราะเมื่อเราเนี่ยมีบุญมีกุศลแล้ว เรามีบุญมีทรัพย์สินสิ่งของอะไรต่างๆมากมายแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะรักษาใจของเราใจของเราก็จะเป็นทุกข์ได้หรือว่าเมื่อเราได้ร่างกายนี้มาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนน่ะได้ร่างกายที่เป็นความเป็นมนุษย์นี่มาเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะได้พัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไป พอพระพุทธเจ้าก็มาตัดสอนธรรมะนะในโลกมนุษย์นี้แหละเป็นส่วนใหญ่พระองค์ก็มาเทศสอนบุคคลต่างๆก็สามารถปฏิบัติตามแล้วสำเร็จบริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นไปได้จํานวนมากเมื่อเราได้ทรัพย์คือได้ลูประทรัพย์นี่มาแล้วเกิดขึ้นมาเราควรภูมิใจว่าในชีวิตนี้เราเป็นผู้ที่โชคดีได้เกิดมา เป็นมนุษย์เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์บางครั้งเรายังหลงไปหรือบางครั้งเรามืดมาไม่รู้เลยเกิดมีแต่ความโลภความโกรธความหลงแต่ต่อมาเห็นโทษที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าความโลภโกรธหลงนี้ไม่ดีเราก็เลยพยายามละและพยายามหาหนทางออกจากกองทุกน้อยใหญ่หาหนทาง ออกจากวัตตะสงสารโดยเริ่มต้นในการมาปฏิบัติมห้นทางใดจะเป็นห้นทางที่ออกจากวัตตะสงสารได้เราจะศึกษาจากตำรับตำลาเราศึกษาจากการได้ยินได้ฟังก็ดีก็เพื่อมาเรียนรู้ว่าจิตที่มันมีอารมณ์นิวรณ์ครอบงำอยู่นั่นแหละมันเป็นจิตที่เป็นฝ่ายอกุศล และ ก, การกั้นคุณงามความดีเราจะต้องมาพยายามประครับประคองใจของเราด้วยกรรมฐานภาวนาเช่นคําว่าพุทโธเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนพยายามนึกถึงคําว่าพุทโธเอาไว้มากๆเมื่อเราภาวนาได้เป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งทําจนว่าเป็นนิสัย ตในจิตใจของเราอยู่เสมอโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะนึกคาว่าพุทโธใจของเราก็นึกไปเองบริกรรมไปเองถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าการภาวนาของเรานั้นนะ่ะทำได้อย่างต่อเนื่องแล้วโดยที่เราจะอยู่ที่วัดก็ตามจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานเมื่อเราว่างจากอารม์ที่จะคิดถึงหน้าที่ ในกิจการงานนั้นเราก็ต้องมีสติกลับมานึกคาบริกรรมพุทโทนี้ขึ้นมาเป็นที่พักของใจเป็นที่อยู่ของใจหลวงปู่ชาบางทีท่านก็ถามพระเนรว่ารู้ที่อยู่ของเราหรื อ, อยังพระเนรก็ตอบว่ารู้แล้วครับก็คือใจของเรามีที่พึ่งที่พิงมีที่อยู่ที่จะรู้สึกว่า มีความสงบใจมีความสุขใจในเบื้องต้นเพราะว่านิวรธรรมนั้นมันถอยห่างออกไปจากจิตใจจิตใจของเราได้สัมผัสธรรมกับอารมณ์ที่เป็นมหากุศลคือการภาวนายึ่งขอแนะนำให้พวกเรานั้นพากันปฏิบัติโดยใช้กรรมฐานภาวนาใช้คำบริกรรมพุทโธนี้เป็นที่ตั้ง หรือบางองค์อาจจะเป็นพุโทโธธรรมโมสังโฆญาโยมคนอาจจะเป็นพุโทโธธรรมโมสังโฆจะบริกรรมหลายๆบทจะบริกรรมบทเดียวก็คือรวมเข้ามาแล้วเมื่อจิตสงบนั้นก็จะรวมเข้ามาเป็นอันเดียวกันคำบริกรรมภาวนาก็จะหายไปเองเมื่อก่อนนี้ได้ยินว่านุ้งปูดูวัดสแกรที่อยุธยา หลวงปู่ดูก็บริกรรมแบพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิครั้งที่หนึ่งถืออาพรณ์พระเจ้าเป็นที่พึ่งครั้งที่2ถืออาภรณ์พระเจ้าเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สก็ถือเอาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึง่งท่านบริกรรมนะสบท จิตของท่านก็สงบรวมกันเข้ามาคาบริกรรมก็หายไปเพราะฉะนั้นคำบริกรรมภาวนาเราไม่ต้องสงสัยว่าผมจะบริกรรมคำบริกรรมภาวนาอย่างไรจิตผมถึงจะสงบเราวางความสงสัยเอาไว้ก่อนเพราะว่าพุทธานุสติการระลึกถึงองค์สมเด็จพระาศาสดาสมมาสามเณรเจ้าเป็นอารมณ์เหมาะแก่ผู้ที่มีศรัทธาจริต เราทุกคนนะนแะเป็นผู้มีศรัทธามีจริตประกอบเราด้วยศรัทธามีความเชื่อมีความเรื่มใสในองค์สมเด็จพระาศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฉันคำบริกรรมภาวนาเนี่ยที่จะทำให้จิตของเรารวมลงนั้นก็คือคำบริกรรมภาวนานว่าพุทโธในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราไม่สงสัยคำบริกรรมภาวนาน เพียรพยายามประคับประคองกิจใจของเราเลยให้ตรงดิ่งไปว่าคำบริกรรมภาวนานี้เป็นอารมณ์ของใจที่จะให้ใจของเราเนี่ยสงบไม่คิดฟุง้งซ่านไปในอารมณ์มอันื่นเราจะต้องเพียรพยายามให้อยู่กับคำบริกรรมวบาพุทโธนี้มันจะยากมันจะลาบากขนาดไหนเราก็จะบริกรรม วาเราบริกรรมแล้วรู้สึกว่าจิตใจของเรามีปิติมีความสุขเราก็ต้องทําให้มากขึ้นไปอีกกิเลส ท, ทำนั่นแหะหรือวันนี้วอนทำจะถอยห่างไปจากจิตใจจิตใจ จ, จะสงบระงับมีปิติมีความสุขใจมีความอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นเมื่อเราบริกรรมภาวานาะมีปิติมีความสุขใจเกิดขึ้น บางทีบางครั้งความบังเลสงสัยมันก็มาอีกแล้วก็มาฐานบทนี้มันถูกกระจดตเราหรือเปล่าจิตของเราเน่ยมันโง่ละขนาดนี้แหละก่บริกรรมภาวานาแล้วก็สงบเราต้องการความสงบเมื่อเรามาบริกรรมภาวานาพุโทโธใจของเราสงบแล้วทําไมเราไม่รู้ว่านี่แหละเป็นคําบริกรรมที่ถูกกิะเ คพาะบริกรรมเป็นเพียงอารมณ์ที่จะควบคุมใจของเราไว้ไม่คิดเรื่องอื่นแต่กิเลสนี่ยเหกับพาลังเลสงสัยนะพาลังเลสงสัยว่าจะถูกกิจิตเราหรือเปล่าก็จะเที่ยวสแสวงหากรรมาฐานที่จะถูกกบจเิตของเรานะในวันหนึ่งในเดือนหนึ่งก็จะสแสวงหากรรมาฐานที่ถูกกิจเิตก็คิดนึกวุ่นวายลังเลสงสัยไปอีก เมื่อคิดนึกปรุงแต่งลังเลสงสัยขนาดนั้นก็มาเดียวบริกรรมภาวนาว่าพุทโธทแล้วจิตใจออกไปจากความสงบเพราะถูกกิเลสนิวรณ์มันดึงออกไปมันมาหลอกลวงออกไปแล้วบางครั้งก็จะสงสัยซ้อนไปอีกถ้าเราไม่สงสัยเราจะหลงทางได้เออเราปฏิบัติยูมันจะถูกหรือเปล่าน้องปูชาก็สอนว่าความสงสัยเกิดขึ้น ก็ดูว่าใครน่ะเป็นคนสงสัยความสงสัยนั่นเป็นใครเป็นของเราหรือเปล่าเราก็คิดไปเองเออเราไม่สงสัยแต่เราหลงผิดไปละยิ่งจะทำให้ปฏิบัติล่าช้าเพราะความอยากของกิเลสมันดันอยู่ในด้านของกิตใจอยู่ในใจคืออยากได้เร็วๆใครๆก็จะปฏิบัติก็อยากจะได้เร็วๆ เ, เราลองมาคำนวณดูด้วยว่าคนเราก็จะโตขึ้นมาได้ใช้เวลาเท่าไหร่ เรากว่าจะเรียนจบปัญญาติใช้เวลากี่ปีเรียนจบปัญญาโทปัญญาเอกใช้เวลากี่ปีและกิเลสที่มันครอบงมจิตใจของเราเน่ยมันครอบงำ ม, มาแล้วกี่ปีนะมันก็ครอบงำ ม, มาแล้วนมนานมากในวัฏสงสารแต่เมื่อเราวาปริบัติโอเราก็จะต้องต้องการกรรมฐานที่ถูกกิเลสบ้างต้องการจิตที่จะสงบเร็วๆบ้างนะ เราก็ต้องมีความอดทนในการปฏิบัติหลวงปูชาจึงบอกว่าเทศศอนให้เราปล่อยวางในการปฏิบัติภาวนาเหมือนเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเราจะมีความอยากอย่างไรให้ต้นไม้นี้โตต้นไม้ต้นที่เราปลูกก็ไม่โตเราจะดิ่นลนข้นขวายยิ่งขุดลากขึ้นมาดูมันจเจริญเติบโตหรืออย่างต้นไม้นั้นยิ่งตาย เมื่อเราปลูกลงไปแล้วเราก็มีหน้าที่ลดน้ำใส่ปุย๋ยป้องกันแสงแดดที่มันแรงเกินไปลมที่มันแรงเกินไปมาแรงทั้งหลายที่จะมาทำลายเราก็เฝ้าระมัดระวังไว้เมื่อถึงการถึงเวลาแล้วต้นไม้นะั้นก็จะโตตามธรรมชาติของเขาเองเมื่อโตตามธรรมชาติของเขาแล้วเขาก็จะให้ดอกออกผล ให้เราได้รับประทานผลของต้นไม้นั้นๆที่เราเพาะปลูกลงไปก็ต้องใช้เวลากันถึงได้หลายปีกว่าต้นไม้นั้นจะเติบใหญ่ขึ้นมายิ่งการปฏิบัติภาวนาแล้วมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเราต้องพยายามไม่มีความอดทนในการปฏิบัติเพราะความคติอดทนนี้เป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์ เป็นคุณสมบัติของนักพจน์ทีเดียวถ้านักปาานักพจน์ฤาษีโยคีไม่มีความอดทนนะนะก็จะไม่เจริญในธรรมพวกเรามาปฏิบัติเราบางครั้งก็มานั่งนานมาเดินจงกรมนานทำความเพียรมานอนน้อยมาทานน้อยไม่สะดวกสบายเมื่อกีที่เราเคยอยู่ที่บ้านแต่ก็เป็นหนทางที่จะทำจิตใจของเราเนะี่ยมันเบิกบานเป็นพุทโธ ขึ้นมาได้การที่เราพยายามเพียรภาวนาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็กําหนดใจให้เบิกบานมีคําบริกรรมว่าพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรากําหนดบริกรรมไปอย่างนี้ก่อนว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือคําว่าพุทโธเมื่อใจของเราก็พุทโธรวมเปน็นอันเดียวแล้วใจก็จะสว่างสวัย ส, สงบขึ้นมามีปิติใจสุขใจ ปติใจสุขใจเกิดขึ้นมาอย่างนี้เราไม่ต้องสงสัยละวบกราลฐานจะถูกกัจริดเราหรือเปล่าให้พยายามเพียรพยายามภาวนาอย่าปล่อยให้กิเลสมันเข้ามาเป็นครั้งเป็นคราวต้องควบคุมจิตใจของเราให้ได้สํารวมตาสํารวมหูจมูกลิ้นกายเอาไว้ให้ดีเพราะตาหูจมูกลิ้นกายเนี้มันจะนําระตอต่ายอารมณ์เข้ามาตามีนาที่ดูรูป โลบนั้นก็จะส่งเข้าไปที่ใจหูได้ยินเสียงเสียงก็จะเข้าไปที่ใจจมูกดมกลิ่นกลิ่นก็จะเข้าไปที่ใจลิ้นสัมผัสรสรสนั้นเราก็จะไปรู้ที่ใจกายถูกต้องโผฏฐพะความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งทั้งหลายก็จะส่งไปที่ใจใจตรงนี้ก็จะมีหน้าที่รับรู้อารมณ์ทั้งหมดนั่นแหละหรือบางครั้งเรามาได้เห็นมาได้ยินมาได้กลิ่นมาได้รู้รสม่ได้รู้โผฏฐพะ ก็จะมีธรรมอารมณ์ที่เราเคยรู้มาแล้วเป็นสัญญาอารมณ์ในอดีตที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้รู้ได้ดมกลิ่นได้สัมผัสได้รู้รสได้เห็นมาแล้วปรากฏขึ้นในใจอีกก็เรียกว่าเป็นธรรมอารมณ์หรือธรรมะบวกอารมณ์ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจเมื่ออารมณ์นี้มันประเกิดขึ้นที่ใจอย่างนี้นะถ้าสติ ของเราไม่ต้องหมั่นสมาธิของเราไม่พอแล้วจิตของเราไม่มีปัญญามก็จะออกไปยึดมั่นถือมั่นมีความรู้สึกยินดีมีความรู้สึกยินร้ายหรือความโกรธพยาบาทหรือฟุ้งซ่านปรุงแต่งหมดหงิดใจลังเลสงสัยก็คือนิวรห้มันก็จะเกิดขึ้นมาแต่นิวรห้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอตลอดไปน ะ, นะจิตใจของเราก็มีโอกาสที่มีความว่าง อยู่ด้วยถ้าเกิดนี่วอนห้เนี่ยมันเกิดขึ้นไปตลอดเวลาแล้วเช่นเรามีความกลัวพยาบาทเกิดขึ้นตลอดเวลาสังขารร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้จิตใจก็คงจะเสียสติไปเลยแต่ว่านี่วอนหนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับใจของเรานี้ตลอดเวลาเราก็ยังมีโอกาสปลงวางได้ยิ่งเรามาบริกรรมภาวนาให้จิตสงบมีปิติมีความสุข นิวรณก็ถอยห่างจากใจมีความสงบแล้วกรนีก็เรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานอาจจะทำความสงบไม่ได้ถึงเป็นเอกกับตาจิตเอกกับตาลมก็ได้แต่ไม่ถึงอย่างนั้นเรามีความสงบกายเบาจิตเบาจิตว่างไม่มีความยึดไม่มีความถือแล้วนะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะเราไม่มีความยึดความถือในอารมณ์ข้างนอกแต่เรามีอารมณ์กุศลอยู่ในใจ จนจิตของเราสงบได้นิวรณ์ทำทั้งหลายก็ห่างไปจิตใจของเราก็ปลอดโปร่งกายเบาจิตเบาเราก็ยกนะใจของเรามาพิจารณาอย่างในกายก้อนนี้ที่เราว่าเป็นเราของเราหรือว่าวัตถุสิ่งของที่เราเคยยึดถือสัตว์บุคคลไหนที่เราเคยยึดถืออยู่เป็นสิ่งข้างนอกแล้วหลางกายของเรานี้เป็นกายใน กายในกายนอกนี่ก็ตามที่เราเคยยึดถือเนี่ยเราก็จะมาพิจรารณาที่ให้เห็นตามความเป็นจริงธรรมะก็คือความเป็นจริงนั่นเององค์สมเด็จพระศ า, าสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้รู้ธรรมะบรรลุธรรมคือพระองค์ได้บรรลุซึ่งความเป็นจริงนะสังขารเป็นอย่างไรพระองค์ก็ทรงรู้แล้วว่าเป็นอย่างนั้นรูปนามนี้รู ป, ปัางอนิจจัง เวทนานิจาสัญญาณิจาสังขารานิจาวิญญาณังอนิจังบารุปังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตพระองค์นั้นก็บารุเพราะเห็นว่าขันทั้งห้ามีรูปประขันหนึ่งมีนามขันสี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ยึดเอาไม่ไปยึดขันไม่ไปยึดเอาขันทั้งห้านี้มาเป็นเราเรื่องมาเป็นของเรา นะรู้จักตามธรรมชาติว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่นี่โดยทั่วไปแล้วพวกเราทั้งหลายใจก็มีความยึดมั่นถือมั่นในรูปภคันนามขันในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราอยู่แล้วเมื่อมายึดว่าตัวรูปตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของเรายังเกิดก่อเกิดความทุกข์ใจ ไม่สบายใจนะอยู่เสมอเมื่อเรามาพิจารณาเมื่อจิตของเราสงบพิจารณาเราก็จะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งขึ้นมาก็าาปล่อยวางปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดนะสมาธิของเราตั้งมั่นปัญญาเกิดก็จะถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นได้ใจของเราก็ไม่ทุกข์ที่เราได้มาบําเพ็ญภาวนามาปฏิบัติถือศีลปฏิบัติบูชา พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้านักก็เพื่อจะระถอนอุปท า, านที่มีอยู่จึงขอให้ทุกคนนั้นตั้งใจสัมรวมกายวาจาในศีลสัสมพวนจิตให้สงบเป็นสมาธิและพิจารณาในรู ป, ปรขันธ์นามขันธ์องลงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะได้ถอนอุปท า, านหรือถอนอวิชชาออกจากจิตใจของเราจิตใจของเราที่เคยบริกรรมว่าพุทโท้โถผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน จะเกิดพุทธโธในใจรู้ในใจตื่นในใจเบิกบานในใจพุทธะก็จะเกิดขึ้นใน ใ, นใจก็ขอให้มันฝึกฝนอบรมให้ตั้งใจแล้เจริญใททกกนธรรมทุกันทุกท่านเทิด